ไมเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกอีกความจริงก็น่าลำคาญเหมือนกันอยู่ๆก็จะมาอวดอ้างว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแต่เมื่อพระพุทธศาสนาช่วยจริงเราก็ต้องมาพูดความจริงสู่กันฟังในฐานะที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเครือเดียวกัน <c oughs> ไม่ใช่ว่าผู้พูดจะมาแก้ตัวแทนพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาขอจงอย่าจะเอาจิตใจไปเจาะจงลงเฉพาะที่พระเนนเสมอไปพระพุทธศาสนาหมายถึงคำสอนสำหรับพระเนนบางท่านบางทีท่านอาจจะลืมจริยาของพระพุทธศาสนาบางก็มีเหมือนกัน แล้วบางทีท่านดีแต่งกายเหมือนพระแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรอย่างพระเลยก็มีเป็นอันว่าโลกนี้คนชั่วก็มีคนดีกว่ามากคนชั่วหายากคนดีถมไปท่านจะดีท่านจะเลวยังไงท่านก็ว่าของท่านดีหมดอาสิทนี้ดูมันว่าวันก่อนพูดมาแล้วเจ้ลืมอธิบาย ก็บว่าท่านลืมจริยาไปว่าจริยาเช่นใดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนํามาลืมจริยานั้นมันก็เลยทําให้คนอื่นเข้าใจกันไปว่าพระสงฆ์ น, นั้นในทั้งหลายเป็นพระศาสนาความจริงพระวิสุธิสมณเณรทั้งหลายไม่ใช่ศาสนาเป็นตัวบุคคลที่บวชเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนา พระศาสนาจริงๆก็ได้แก่คําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อท่า น, น, นหลายเหล่านั้นบวชเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาแล้วลการบวชนี้ก็มีหลายแบบบางทีท่านก็บวตตามประเพณีบางทีก็บวตได้ความเลื่อมใสได้ความเลื่อมใสตามประเพณีนี่ไม่แน่นัก บวตตามระเพณนีก็สักจะเพียงว่าบวตไม่ได้ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติความดีเพียงได้ให้คนอื่นเขาถือว่าบวตเท่านั้นอย่ามี้นผู้ทําลายพระศาสนาบางท่านก็บวชเข้ามาด้วยความเลื่อมใสแต่เมื่อบวตเข้ามาแล้วจิตใจก็กลายไปอย่างอื่นไวติดในลาบยศสเสรนโศกเสีย นีการติดในราบยศสนเสริญสุขก็เป็นการทำลายพระศาสนาเหมือนกันคือว่าเป็นผู้ที่บวชเข้ามาแต่กายแต่กลาความประพฤติจิตใจไม่ได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ได้คำว่าติดในราบยศสนเสริญสุกอเมียขอบรรดาท่านทั้งหลายจงพิจารณาไว้ด้วยว่าพระที่บัน ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆอย่าไปคิดว่าท่านเลวเสมอไปบางทีเพราะอาศัยความดีของท่านที่มีอยู่พระราชาทรงถวายยศถวายตำแหน่งนี่เป็นเรื่องของต้องพระราชาถวายนะไม่ใช่วิ่งเต้นหายศหาตำแหน่งท้านหลายเหล่านั้นจะถือว่าท่านมัวเมาในลาบในยศก็ไม่ได้ บางทีจิตใจของท่านไม่เมาเลยยังผู้พูดเคยตะเวนไปหาพระมันหลายจุดทั่วประเทศไทยไปเจอพระมากดีกันที่เขาตั้งให้ท่านเป็นพระราชาคณะเป็นเยี่ยคุณบ้างเป็นสมเด็จบ้างเป็นสมเด็จพระสังฆราชบ้างเป็นพระรูบ้าง เวลาไปหาท่านจริงๆไม่ทราบว่าทายศไปวางไว้ที่ไหน <c oughs> ไม่มีเรื่องยศฐามันดาศักดิ์ไม่รู้ถ้าไปวางไว้ที่ไหนเมื่อไปแล้วท่านก็นทำตนเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าเคารพทำตนเป็นกันเองเสมอๆอย่างนี้ประเภทนี้ไม่ถือว่าเมาในราบหรือไม่เมาในยศ แต่ท่านที่เมาจริงๆก็มีต้องแยกประเภทกันไว้ด้วยไม่ใช่ปลาห้องเดียวเน่าตัวเดียวแล้วก็เน่าด้วยกันทั้งหมดแต่ความจริงปลาค่องเดียวที่เน่ากลิ่นมันอาจจะไปกระทบปลาตัวอื่นที่เป็นปลาดีไม่เน่าก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกคัดปลากันไปตัวไหนเน่าทิ้งตัวนั้นไปเอาไว้แต่ตัวดีเพราะนี่มีประมาณชั้นใดพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ผู้ผู้ก็เคยสัมผัสมาหลายแบบไม่ที่เจอะแต่ดีชั่วก็เจอที่ชั่วประเพฤติคิดว่าพวกเราเป็นคราวาสอาจจะดีไปะจะชั่วไม่เท่าทันก็มีนี่จึงเป็นว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีทมไปที่ท่านประพฤติชั่วแบบนั้นท่านก็เข้าใจว่าดีหม่กัน นี่คำว่าดีของคนแล้วว่าคำว่าดีของคนที่เป็นพระ <c oughs> ก็ต้องเลือกกันให้ดีให้ถูกจุดถ้าบุคคลใดดีเว้นจากกรรมที่เป็นโทษหรือว่าทำใจพ้นจากความเป็น่านนั่นเรียกเราเรียกกันว่าคนดีคือบัณฑิตท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ท่านที่เมาในลาบในยศเสินเสิญสุขท่านก็ว่าของท่านดีเดิ้ลท่านนั้นหลายที่ไม่มีความเมาในลาบยศเสินเสริญสุขท่านก็ว่าของท่านดีแต่เราก็ต้องเลือกเอาดีหลังดีประเพณ ท, ที่ไม่เมาในลาบยศเสินเสริญสุขในลาบมาก็หาทางที่เอาลาบนั้นจับใจใช้สอยไปในทางส่วนสาธารณะประโยชน์ ท่านก็ต้องใช้เป็นส่วนตัวบ้างแต่เป็นในด้ความจําเป็นในเขตสวรรวิสัยจริงๆเราถามว่าท่านได้ยศมาเพราะพระราชาถวายแล้วใครที่ก็เห็นว่ามีความดีเขาขอให้ท่านแต่ท่านไม่เมาเราก็ควรจะสนรเสริญท่านพวกนี้ว่าเขาเอาหินมาให้ท่านแต่ท่านไม่รู้สึกหนักกับวางหินเสียไม่พอใจในเรื่องว่าไม่เหลืองในหิน เมื่อให้มาก็รับรับไปด้วยการบันบงศรัทธาอย่างนี้เป็นพระดีคนโบชา <c oughs> ใครก็สรรเสริญเยนยอท่านท่านก็ไม่เมาหมายไปตามคาสรรเสริญเยนยอเวลามีสุขจักโล ก, กีวิสัยเกิดขึ้นท่านก็ไม่พอใจไปทำนั้นไปตามนั้นถ้าไม่ลืมว่าท่านเป็นพระท่านละท่าไม่ลืมความตายของท่านด้วย เป็นอันว่าพระที่บวชเข้ามาพระเนนที่บวชเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาขอท่านหลายได้โปรดเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ตัวศาสนา <c oughs> ตัวศาสนาจริงๆคือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งได้แก่ระเบียบหรือที่เราเรียกว่าวินัยหรือที่เราเรียกว่าศีลคำสอนคือบทธรรมะที่ปฏิบัติทาจิตใจให้สะอาด ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกวันนี้ก็มาพูดถึงที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ละความเป็นพานด้วยจงอย่าคบผ่านอันวันนี้ก็เห็นจะเป็นพานข้อสุดท้ายแต่ความจริงพานนี้มีมากได้ขอ น, นํำ ย, ยอดมาเป็นแค่ห้าพัานเท่านั้นพานนอกเหนือจากนี้มีอีกจังเยอะถ้าเคินพูดมันก็ไม่จบ เอามาให้ท่านนหลายค่ายคนกันพานสุดท้ายคือพันคนที่ลักษณะที่ห้าหรือว่าคนที่ห้า <c oughs> ก็ได้แก่การพันหมดสติการหมดสติเป็นพันหรือสติสัมปชัญญะไม่ดีมีพ่อไม่รู้จักพ่อมีแม่ไม่รู้จักแม่มีลูกไม่รู้จักลูกมีสามีภรรยาก็จําไม่ได้มีครูบาอาจารย์ก็จําไม่ได้ อ่านตัวนี้ได้กับพ่านเมาหมดสตินี่ได้ได้กับเมาแต่ลักษณะของการเมามันก็มีหลายเมาเหมือนกันเมาสุรามีไรก็ชื่อว่าเมาแต่เมากำลังใจเมาความรู้เมาฐานะเมาตำแหน่งเมายศฐานมันดาศักดิ์เมาความร่ำรวยเมาอำนาจวาสนาน h ่ก็เมาเป็นอันว่าสองเมาเนี่ยไม่ดีทั้งหมด <c oughs> ไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงที่มันเมาถ้าคนเราถ้าเมาเสแล้วมันจำอะไรไม่ได้สติสัมปชัญญะมันก็เฟือนไปสติแปลว่าตัวนึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวถ้าเรามีรมอยู่เสมอว่าคนนี้เป็นพ่อพ่อเคยมีคุณกับเราในตอนไหน คนนี้เป็นแม่แม่เคยมีคุณกับเราในตอนไหนเอ้ตอนนี้ถ้าจะฟังแมงๆเคยฟังข่าวได้ยินมาเองจะออกจะออกชื่อตัวบุคคลเลยเพราะว่าเมื่อบิดามันดาไปตักเตือนเขาเข้าเขาก็าบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่น่าจะมายุ่งอะไรกันหนูนี่มันน่าจะขายกันตั้งแต่วัเกิดแล้ว ที่หนูเกิดขึ้นมานี่หนูมีความเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดคุณพ่อคุณแม่ร่วมรักกันใยความปรารถนาในความสุขสวนนั่นต่างหากแต่ที่หนูเกิดมานี่หนูเกิดมาเองออืน่าฟังไหมนี่เมาอะไรเริ่มเมาเพื่อน คนประเภนี้เขาเรียกว่าเมาเพื่อนี้ขาดสติอามากทั้งสติสัมปชัญญะไม่ได้เรื่องในราเลยก็ลืมไปนี่ลักษณะของพ่านเมาแกที่บอกว่าผ่านไม่ไม่ได้เรื่องในมันในรานี่แกหมดสติอามากกับเพราะว่าแท้พ่อแม่ของแกไม่มีความรักในแกความจริงการร่วมรักอาจจะเป็นความสุขส่วนหนึ่งที่ไม่มีความปรารถนาให้ลูกเกิด <c oughs> อันนี้ก็มีอยู่แต่บางรายส่วนใหญ่ด้วยการตั้งใจปรารถนาบุทธิดาตอนเรื่องจิตใจเรารู้ไม่ได้ยกไปเอาแต่เพียงว่าถ้าบิดามันดาของหนูคนนั้นไม่มีความรักเธอจริงๆริงในเมื่อเธอเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าท่านไม่รักจริงๆท่านทำแท้งเสืออะไรก็ได้ เรื่องไม่จะนั้นมาออกมาใหม่ๆท่านก็ทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูก็ไม่มีเสียงจะมานั่งพูดแม่โดยเพ่ออย่างยิ่งในขณะที่รับฟังก็ปรากฏว่าเธอผู้นั้นกําลังเรียนอยู่ในระดับสูงนี่เป็นอันว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงเธอมานะ่ยใช้จ่ายมานับเงินเปน็นจำนวนแสนยังว่าถ้ารับการศึกษาระดับสูงใกล้จะจบจยูแล้วใช้เงินมากถ้าไม่ให้ด้วยความรักความเมตตาปรานี้ เธอไม่มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่แล้วก็เธอไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือขนาดนั้นแต่เมื่อรับความช่วยเหลือจากบิดามารดาขนาดนั้นกลับไปคบเพื่อนที่มีกิจเป็นอาธรรมไร้ความดีกลับกลายเป็นคนอักตันยูไม่รู้คุณของบิดามารดามีความเมาประเภทนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนว่าจงอย่าเมาเลย แต่คืนเมาแล้วก็มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์นี่ความช้ำใจมันก็เกิดขึ้นกับบิดามารดาแลื้อตัวเธอเองก็มีแต่ความทุกข์ถ้าบิดามารดาบอกว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็น่าหยาค้นกันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วขาดกันแต่ว่าตอนนั้นท่านคิดว่าเป็นบุตรของท่านแต่ว่าถ้าหากว่าตอนหลังนี่ท่านคิดว่าบุตรคนนี้มีความอักตันโยไม่รู้คนท่าน คิดอย่างชาวบ้านคิดว่าเลือดก้อนเดียวเทิยงมันไปก็แล้วกันอจากนั้นเธอจะหาเงินหาทองที่ไหนมาใช้และคนอักตันยูไม่รู้คุณคนแบบนี้จะประโยชน์กับใครคนดีไม่มีใครเขารับไว้เขาก็โยนทิ้งไปเหมือนกับก้อนเคละก้อนหนึ่งที่ไร้ประโยชน์เรียกว่าเขามีความเข้าใจเสมอกันหมดว่าทุกคน แต่ว่าครบคนประเภทนี้จะเพศนี้ไว้มันก็มีแต่โทษมันไม่มีความดีนี่ละบรรดาท่านทั้งหลายท่านผู้รับฟังเรื่องความเมานี้ด้ยวยตัวหมดสติองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ามันเป็นผ่านจงอย่าคบคนใดที่มีความเมาอย่างนี้จงอย่าคบคนนั้นคนประเภทนี้เทมาบิดามันดาพ่อแม่ของเขาให้ชีวิตเข้ามา ให้ชาความรู้ให้ทรัพย์สินเวลาที่โรคจะเรียนและโรคเกิดมาพ่อแม่ต้องมีความเหนื่อยยากลำบากเป็นกรณีพิเศษเขายังอากตันยูไม่รู้คนได้ถ้าเราเป็นคนอื่นนอกจากบิดามันดาของเขาเราไม่เคยเกื้อกูลเขามาในการก่อนถ้าเราไปเกื้อกูลเขาเขาจะมีความรู้สึกยังไงพ่อแม่ให้ชีวิตเขา ให้ทรัพย์สินแก่เขาให้ความสุขกั่เขาให้วิชาความรู้กับเขาเขายังตีตีตัวออกห่างท่านได้เราเป็นคนปลายทางไปเกลื่อนคนประเภทนี้เราก็ถูกดียิ่งกว่านั้นดีไม่ดีเธอจะสังหารเอามาอะไรก็ได้คนประเภทนี้องค์สมเด็จพระจอมตายกล่าวว่าเป็นคนพันจนหนีออกไปเสีย เมาอีกประเภทหนึ่งแต่ความจริงความเมานี่มันมีมากเขาพูดเยาะเยาเมาอีกประเภทหนึ่งก็คือเมาน้ําเมาน้ํานี่ก็ได้กับเมาสุราเมรัยและสิ่งที่ไม่ใช่น้ําทําให้เมาอย่างเช่นผงขาวเป็นต้นหรือแม่ทงดําเป็นต้นอะไรก็ได้นี่ในเมื่อเรายังไม่ดื่มเรายังเมา ตามที่กล่าวมันแล้วเด็กคนนั้นเมาในความรู้ที่เธอได้ด้วยอาศัยทุนเขาบิดามารดาเธอยังไม่ได้ดื่มเมาแล้วแต่เพิ่มความเมาจากวัตถุเข้าไปอีกคือสุราเมรัย ม, มันก็เมากันใหญ่ดีไม่ดีบิดามัรดาของเราจาะฆ่าเสเมืาไลก็ได้และการเมา อ, อย่างนี้ทําลายเศรษฐกิจของชาติบอกไม่ถูกการดื่มสุราเมรัย เมรัยแปลว่าไม่ใช่สุราสิ่งที่หมักดองหรือม่ได้กลัน่นเรียกวเมรัยขอใี้กลั่นออกมาแล้วเรียกว่าสุราเป็นประเภทสร้างความเมาจะเป็นยาฟินเฮโรอินอะไรก็ได้ทั้งนั้นใ <c oughs> <c oughs> น, นเมื่อความเมาประเภทนี้เกิดขึ้นเศรษฐกิจถูกทําลายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มสุราดืะมเมรวันหนึ่งถ้าเรากินใช้จ่ายค่าส่วนนี้ไปวันละหนึ่งบาท ปีหนึ่งเราต้องเสียเงินสามรอยหกสิบห้าบาทถ้าวันละสิบบาทปีหนึ่งสามันหกร3อยห้าสิบบาทถ้ามันวันละยิ่งเปล่านั้นมันก็เสียมากกว่านั้นถ้าเราเดิมเรากินมาแล้วเป็นกี่ปีก็ลองคิดดูว่าการอย่างนี้ที่มันปรากฏทรัพย์สินทั้งหลายมันหมดไปเท่าไหร่ ถ้าเราจะรวบรวมทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นไว้ใช้ในประโยชน์ส่วนอื่นมันจะดีกว่าไหมความสุขมันก็เกิด <c oughs> นี่ว่ากนันเรื่องเสียทรัพย์สินเฉยๆนอกมันยังเสียศักดิ์ศรีอีกพราะมีความอคตันอยูจะไม่ได้นี่พ่อไปยังไงแม่ไปยัไงดีไม่ดีเตะพ่อด่าแม่ตีพ่อ ด, ด่อดาเมียแล้วก็ว่ากันยุ่งไปหมดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ภายในบ้านของตัวเอง นี่นก็ดีไม่ดีรถราวิ่งมาก็เข้าใจว่ารถมันเล็กนอนขวางให้รถชนตายเสียก็อย่างได้เสียชีวิตไปนี่นก็นอกจากนั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ปรงชนชาวไทยและชาวชาติชาวชาวเทศได้กับประเทศชาติเพราะความเมาเป็นเหตุจำหน้ากันไม่ได้เห็นคนเหมือนกันว่าไม่ใช่คน าเรื่องห่าเราก็เรื่องก่อความวุ่นวายขึ้นทำลายทรัพย์สินเขาจะบ้านให้หมดไปทิ้นาดไปแล้วก็สร้างความยุ่งยากที่เราต้องจ้างคนเขามาเป็นเจ้าเป็นนายจ้างตำรวจมาจับจ้างอายการฟ้องจ้างพี่ภาคสาตุลาการวบประมาณมันสิ้นปีเพราะอาศัยเขาเป็นเป็นส้นไปแล้ววประมาณสิ้นไปปีหนึ่งปีหนึ่งเพราะอาศัยความเมาไปสําคัญประมาณเท่าไหร่ ตัวเองเดินไปเดินมาไอคุกตารางที่เขาตั้งไวแอบๆอบถนนเขาไม่ได้ตั้งมาขวางถนนก็เดินเข้าไปชนประตูคุกปตูประตูตารางในที่สุดก็เข้าไปสงบอารมณ์ในนั้นนี่เพื่อสัยความเมาเขอพูดแต่เพียง ย, ยอ่อ <c oughs> ว่าลักษณะการเมาอย่างนี้เนี่ยมันสร้างความดีให้แก่ประเทศชาติหรือว่าทำลายความสุขความดีของประเทศชาติ ชื่อกันนั่งนิ่เราเมาวันละสิบบาทาปีหนึ่งสามพันห้าร้อยห้าสิบมพันหร้อยห้าสิบถ้าสิบ <c oughs> ปีสิบปีมัก็สามหมืนหกพันห้ารอยบาท <c oughs> แล้วเวลานี้ใครเมาสิบบาทมีไหมไม่มีเมาแต่ละทีเป็นร้อยเป็นพันแล้วเงินนี้สูญเสียไปนั้นมันได้ประโยชน์อะไรสำหรับเราบ้าง <c oughs> การเข้าไปเมาแล้วก็ต้องกลับมากินข้าวบ้านมาสร้างเรื่องแก่ บ, บ้านสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความเมาเป็นสาคัญเพราะนั้นว่าความเมาอย่างนี้นั่นองค์สมเด็จพระรททงฆท่านกล่าวว่าเป็นผ่านแปรการนีไใน์เกิดความทุกข์ความเดือดร้อน <c oughs> เป็นของไม่ดี ในเมื่อมันไม่ดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินศรีบอกว่าท่านนนั้หลายจ้องห่างจากพานคือความเมาเสีย <c oughs> จอย่าเข้าไปครบความพานอาการอย่างนี้ถ้าเราไม่ครบเสร็จแล้วมันจะมีความดีและมีความชั่ว <c oughs> เราไม่ครบมันจะมีความสุขแล้วว่ามีความทุกข์ลองนั่งนึกดูในใจ <c oughs> นึกให้เข้าใจว่าไอ้ความสุกดีความทุกข์ก็ดีที่เกิดขึ้นอย่างนี้ยาหน่าของความเมาเนี่ยมันสุขกมันทุกข์มันดีหรือมันไม่ดีถ้าเราเป็นคนจริงๆเป็นมนุษย์จริงๆ จ, จะมีความรู้สึกว่าจะความเมาเนี่สร้างโทษให้เกิดหรืมากกว่าสร้างประโยชน์ <c oughs> บางท่านบอกว่าถ้าไม่เมาขาดสังคมสังคมจะขาดไป แต่ในฐานะที่ผู้พูดเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรยคือยอมรับนับถือพระผู้ได้เจ้าเห็นว่าสังคมของความเมาเป็นสังคมของความทุกข์เป็นสังคมของความวุ่นวายคนมีก็มีเขาดีมีฐานะใหญ่มียศใหญ่ที่เขาไม่เมาก็ถมไปเมามากเท่าไรการก้าวหน้าของชีวิตมันก็น้อยมากเท่านั้น ว่าสังคมแห่งความเมาไม่ว่าเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความเล่าร้อนความเดือดร้อนก่อนที่จะเมารู้จักกันรักกันคุยกันดีแต่พอเมาเข้าเมาเท่านี้เนี่ยก็ปรากฏว่าลืมกันเสียแล้วดีไม่ดีก็มีค่าแข่งค่ากันเรื่องราวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เสมอๆ เ, เพราะความเมาเป็นเหตุ ดันั้นองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกเะเชดจึงกล่าวว่าลักษณะของความเมาด้วยการดื่มน้ำเมาสุราดมีไรเป็นปัจจัยที่เรียกว่าผ่าน <c oughs> ที่ทำสันดานเราให้มีความทุกข์แล่ตัวเมาตัวนี้ทำลายเศรษฐกิจของชาติบอกไม่ถูกถ้าอย่าพูดกันไปจริงๆมันก็อย่าซ้ำกับของเก่า รวมความว่าที่เราต้องเสียบ้าเสียก่อนกันทุกวันทุกวันนี่ก็เพราะความเมาเป็นสำคัญคือเมาทั้งน้าเมาแล้วก็เมาความเป็นอยู่เมาชีวิตเมาศักดิ์ศรีเมาเกียรติยศมีเมาความรู้ขาดสติสัมปชัญญะดูว่าอะไรมันเป็นอะไร <c oughs> คนที่ต้องฆ่ากันตายก็เพราะอาศัยเมาสองเมาคนที่ตั้งแต่ความสามัคคีก็เพราะอาศัยสองเมานี่ละเมาเล่ากับเมาใจ เป็นอาวุธโลกที่เราจะมีความเดือดร้อนในปัจจุบันนี้เหมือนกับไฟเก็อาศัยความเมาเมาเล่าโดยเมาใจเมาความทะเยอทะยานบางรายต้องการจะยึดประเทศนั้นจะยึดประเทศนี้คิดกันไปคิดกันมาทําลายล้างไปทําลายล้างมายังไม่ทันจะยึดได้คนต้นคิดก็ตายและคนคิดรองรองลงไปก็ตายแล้วไม่ยึดได้แล้วตัวก็ตายมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร <c oughs> เป็นอันว่าการเมาประเภทนี้เป็นการทําลายความสุขของชาติแล้วก็เป็นการทําลายความสุขของโลกถ้าทุกคนเราไม่เมา้าจะเป็นยังไงที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าบัณฑิตเราก็มีจิตประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสตินึกสัมปชัญญะรู้ตัวนึกเข้ามาไว้ว่าเรามีหน้าที่ไปยังไง เราอยู่ในฐานะไหนกิจกางานสิ่งใดที่เราควรจะทำเราก็ตั้งใจทำสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราทำนี่ทำแล้วได้ยังได้ยังไม่ได้ทำทำล้วทำถูกหรือทำผิดถ้าทำก็ต้องตั้งใจทำให้มันถูกก่อนที่จะทำกล่าวว่าใครควรเสก่อนเราจึงทำเราก็าจิตนึกมาว่าตัวสติคิดว่าเอ้ยนี่เราจะทำงาน เราจิตใจพิจารณางานวันว่าเราทำอย่างไรมันจึงจะเร็วมันทั้งจะดีมันจะมีประโยชน์มากการงานไม่ข้างค้างไม่เป็นปัจจัยให้เกิดความเสื่อมเสียกับการงานและตัวเองนี่ถ้าเราไม่เมาเรามีเวลาคิดแบบนี้ถ้าเราเมาไม่มีเวลาคิดเศรษฐกิจของชาติที่ต้องบรรลัยไปเพราะความเมานับไม่ถ้วน ก็พระเมานี่แหละจึงได้ไม่ต้องมีตำรวจต้องมีทหารต้องมีคุกมีตารางมีพิภาษามีอายการมีอะไรต่ อ, อไรกันจีปาถะเสียเงินงบประมาณเพราะความเมาปี ป, ปีหนึ่งหลายหมื่นล้านต่หากว่าทุกท่านรับคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพิชิตมานที่ทรงช่วยโลกขอชาวโลกจงอยา่าเมาไม่เมาทั้งเหล้าไม่เมาทั้งสุ ร, ราไม่เมาทั้งชีวิต คิดไว้เสมอว่าเราควรจะทำโมูชนและปวงชนที่อยู่ร่วมกันให้มีความสุขจงเต็มความสามารถที่เราจะพึงทําได้กรรำใดถ้าเกินวิสัยที่เราจะพึงทําได้ก็ขอร้องให้บุคคลอื่นเข้ามาช่วยเหลือและต่างคนต่างช่วยกันเราช่วยเขาเขาช่วยเราตามความจําเป็น เราก็รู้ตัวเสมอว่าการช่วยเขาคราวนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้มีมบุญคุณกับเขาอย่าไปคิดอย่างนั้นเราช่วยเขาด้วยการเกื้อกูลจริงๆจะเป็นชายจะเป็นหญิงจะเป็นใครก็ช่างช่วยโดยไม่หวังผลในการตอบแทนเมื่อเราช่วยเขาแล้วเขาก็ช่วยเราเมื่อเราดีเขาก็ดีด้วยต่างคนต่างช่วยมันจะมีความสุขและมีความทุกข์ นี่เขาบรรดาท่านผู้ฟังท่านหลายฟังแล้วแต่ความจริงนี่เป็นเรื่องย่อยๆนิดเดียวถาย้าพูดกันทั้งเรื่องความเมาแล้วก็อีสิบปีมันก็ไม่จบเพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยความเมาถ้าทุกคนเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างคนต่างไม่เมาก็คิดดูแล้วก็แล้วกันว่าโลกจะเป็นยังไงเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสารสันดาห์ช่วยโลกแล้วแต่ใครรับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาบ้างหรือไม่ สำหรับวันนี้มองดูไปเวลามันก็หมดเสร็จแล้วขอลาก่อนวันหน้าพบ ก, กันใหม่ถ้ามีโอกาสขอความสุขสวัสดีพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีแดดบันไดท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี <c oughs>